ด้วยรักบรรดา น, นิทานสีขาวเรื่องวัวขาวหางดำวัวตัวหนึ่งมีสีขาวทั้งตัวแต่มีสีดำติดอยู่ตรงปลายหางนิดหนึ่งควายอีกตัวมีสีดำทั้งตัวทั้งวัวและควายสองตัวนี้ต่างก็อยู่ในคอกเดียวกันและเป็นเพื่อนรักกันมานานวันหนึ่งควายพูดกับวัวว่านี่วัวจ๋าฉันมีเรื่องอยากจะบอกเธอมานานแล้วละ่ะ แต่กลัวเธอจะว่าเอามีอะไรหรือควายเราเป็นเพื่อนกันนะเพราะฉะนั้นพูดมาได้เลยจ้ะนี่น่ะวัวตัวเธอน่ะมีสีขาวสวยมากจริงๆนะสวยกว่าวัวทุกตัวที่ฉันเคยเห็นเลยละ่ะเสียอยู่หน่อยนึงเท่านั้นเองอะไรหรือก็ปลายหางของเธอหนะ่ะดำปี๋เลยดูแล้วไม่สวยเธอไม่น่าจะมีสีดำตรงนั้นเลย ก็จะให้ทำยังไรละจ๊ะควายสีดำตรงเนี้ยมันติดตัวฉันมาตั้งแต่เกิดแล้วนี่นาก็นั่นนละสิไม่รู้จะมีมาทำไมนะทำให้เธอดูเป็นวัวที่มีตำหนิไม่สวยเลยละ่ะควายก็ยังแสดงความคิดเห็นต่อไปส่วนวัวไม่ได้พูดอะไรอีกมันก้มลงเล็มหญ้าหลังจากวันนั้นควายก็ยกเอาเรื่องปลายหางสีดำของวัวขึ้นมาพูดทุกวัน สีดำตรงปลายหางเธอนี่ไม่สวยเลยนะดูกิทีกิทีก็เหมือนมีรอยตําหนิถ้าเธอไม่มีรอยดำตรงปลายหางเธอต้องสวยกว่านี้แน่ๆสีดำนั้นดำมากเลยนะเธอไม่น่ามีมันเลยล่ะในที่สุดวัวก็ทนไม่ไหวพูดกับควายว่าพอทีเถอะจา้าทำไมเธอต้องมามองแต่จุดดำของฉันไม่สังเกตบ้างหรือไงว่าตัวเธอนนะ ดำหมดทั้งตัวเลยเธอทั้งหลายคนเราก็มักเป็นอย่างควายในเรื่องนี้คือมองเห็นแต่จุดดำหรือข้อผิดพลาดของคนอื่นมากกว่าจุดดีๆหรือสิ่งดีๆในตัวเขาที่แยากกว่านั้นคือคนแบบนี้มักจะไม่ค่อยย้อนมองตัวเองจึงไม่รู้ว่าตนเองมีส่วนที่เป็นสีดามากกว่าและแย่กว่าจุดดาเล็กๆที่คนอื่นมีซะอีกคนเรานั้นไม่มีใครดีพร้อมหรอก ทุกคนต่างก็มีจุดบกพร่องและเรื่องไม่ดีเล็กๆน้อยๆแซมอยู่ในตนเองไม่เว้นแม้แต่ตัวเราถ้าเขาเป็นคนดีการครบเขาก็เป็นเรื่องที่ถูกที่ควรแล้วส่วนข้อบกพ ร, อร่องเล็กๆน้อยๆนั้นเมื่อสนิทชิดเชื้อพอที่จะเตือนกันได้ก็ค่อยเตือนให้เขาปรับปรุงซึ่งถือเป็นหน้าที่หนึ่งของเพื่อนแท้จำไว้อย่าเพิ่งประเมินใครในแง่ร้าย จนกว่าเธอจะได้รู้จักคนคนนั้นจริงๆเพราะเธออาจเสียโอกาสที่จะได้รู้จักคนดีที่สุดในชีวิตไปเลยก็ได้เธอก็รู้นี่ว่าในชีวิตของคนเราจะมีโอกาสเจอคนดีๆอย่างนั้นได้สักกี่ครั้งกันเชียว Thank you. ต้นน้ำลำธารทองฟ้าให้อยู่ร่วมกันเพ่อสุขขึ้นเาขอแผ่เมตตาสิ้นทุกสุขเธอ